อาวัคคยานญานที่สิบอาสวะคคยายานตรีชารู้จักทำให้อาสวะหมดสิ้นไปยานข้อ น, นี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในเรื่องอริยศัสตร์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องไตรลักษณ์และทำอื่นๆอีกจนสามารถทำให้อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในสันดานหมดสิ้นไป ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในมหาสีหานาสสูตรว่าดูกรสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูกรสารีบุตร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 ตามความเป็นจริงคำว่าเจโตวิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นด้วยอำนาจใจคำว่าเจโตที่แปลว่าใจในที่นี้หมายถึงสมาธิหมายถึงฌานคำว่าปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาโดยปกติกิเลสในสันดานสามารถทาให้สงบได้ด้วยอำนาจของสมาธิ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 ทรงสอนให้คนทั้งหลายละกิเลสได้เป็นผลสําเร็จนั้นก็พระพรุทองค์ทรงละได้มาก่อนแล้วซึ่งเป็นการละได้อย่างเด็ดขาดด้วยแต่อันที่จริงการละกิเลสก็มีหลายอย่างถละได้ชั่วคราวก็เรียกว่าตาทางควิมุตถ้าละด้วยอำนาจของสมาธิเรียกว่าวิขัมภนะวิมุตถิาละได้อย่างเด็ดขาด เรียกว่าสมุเทเฉทวีมุตซึ่งการละในขั้นนี้หมายถึงละด้วยอรยมรคและคำว่าอรายมรคในที่นี้ก็หมายถึงมรคมีวงแปดที่สมบูรณ์หมดทุกข้อและรวมกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทำการประหารกิเลสในสันดานได้หมดสิน้นและต่อจากนี้ ในใจก็จะมีแต่ความสงบอันประณีตซึ่งเป็นความสงบในขั้นโลกุตระเป็นความสงบที่คงที่ไม่มีเสื่อมและเมื่อเข้าถึงความสงบในขั้นนี้แล้วกิเลส จ, จะเกิดอีกไม่ได้ความสงบในขั้นนี้เรียกว่าอริยผลการหลุดพ้นราสายอริยผลคือผลที่เกิดจาก การที่อริยมรรตัดจิเลสได้อย่างเด็ดขาดนี้เรียกว่าปฏิปัจจทิวีมุตและการละอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการละด้วยการเข้าถึงนิพพานคือเข้าถึงความว่างหรือเข้าถึงความดับสนิทเรียกว่านิสรณาวีมุตแปลว่าการหลุดพ้นด้วยการออกไปจากนามรู พระพุทธเจ้าสามารถที่จะสอนให้คนทั้งหลายละจากกิเลสได้เป็นขั้นๆดังที่กล่าวมาแ้าการที่พระองค์ทรงทำได้เป็นผลสำเร็จทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงสอนจากประสบการณ์ของพระองค์เองไม่ได้สอนจากตำราหรือจากคำบอกเล่าของคนอื่นพระองค์ทรงละกิเลสได้หมดไม่มีเหลือทำไมจึงละได้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 เขาจึงจะละได้และใครแม้จะสอนอย่างนี้แต่ก็ละกิเลสไม่ได้เรื่องราวต่างๆในลักษณะนี้พระองค์ทรงรู้แจ้งแขงตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงตั้งพระทัยว่าจะสอนใครจึงไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ไม่ได้ผลตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้ทีนี้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 ถ้าเราต้องการจะสอนคนอื่นให้เลิกจากการดื่มเหล้าถ้าเรายังดื่มอยู่ก็อย่าไปสอนแต่คนที่ไม่ดื่มเหล้านั้นมีอยู่เราก็ไปขอให้คนที่เขาไม่ดื่มเป็นผู้สอนยิ่งถ้าหากคนที่จะสอนมีเมื่อก่อนเป็นนักดื่มมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เลิกได้อย่างเด็ดขาดการสอนก็จะได้ผลดี เพราะเขามีประสบการณ์มาด้วยตนเองการสอนจะทำได้ตรงกับข้อเท็จจริงไม่เดาวหรือคาดคะเนเอาเหมือนอย่างที่นักสอนสาศาสนาส่วนมากจะเป็นกันแต่อย่างไรก็ดีถ้าคนสอนที่ว่านี้ไม่มีความรู้ทางาศาสนาไม่มีความรู้ในด้านอื่นๆไม่มีหลักวิชานในการสอน ถึงแม้ตัวเองจะมีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็ตามก็จะสอนคนอื่นให้เลิกเล่าได้ก็เพียงไม่กี่คนเท่านั้นอันหนึ่งขอให้สังเกตว่าพระสงฆ์แม้จะเพิ่งบวชก็อาจจะเทศทายาตโยมทั้งหลายฟังได้โดยที่คนเหล่านี้จะตั้งใจฟังทั้งนี้ก็เพราะในขณะนั้นท่านได้เลิกละความชั่วหรือความไม่ดีต่างๆ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 ท่านสามารถจะสอนคนได้ทุกชันคนทั้งหลายจะเชื่อฟังท่านทั้งนี้ก็เพราะเป็นไปตามหลักที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงละกิเลสได้หมดสิ้นแล้วจึงทรงสอนคนอื่นให้ละแต่อย่างไรก็ดีเพราะเหตุที่ผู้สอนละไม่ได้จริงๆเพียงแต่กิเลสสงบซึ่งจะเห็นได้ว่าพอศึกออกมาแล้ว กิเลสที่เคยสงบอยู่นั้นก็กลับลุกโครงขึ้นมาอีกฉะนั้นการสอนจริงยังไม่ได้ผลเท่าไรนักฆราวาสทั้งหลายยอมรับฟังและเชื่อด้วยความเคารพเรื่มสายจริงแต่ก็ยังไม่อาจจะปฏิบัติตามหรือปฏิบัติให้ได้ผลเหมือนที่พระท่านสอนเช่นเราจะเห็นได้ว่าเวลาพระให้ศีล ก็มีคารวะารับศีลกันมากมายแต่ครั้นแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้ทําในด้านอื่นๆก็เหมือนกันทนั้งดีก็เพราะผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ด้วยตนเองอย่างเพียงพอข้าพเจ้าเคยคิดว่าพระเถระผู้ใหญ่หรือพระที่เป็นนักสอนสาศาสนาอย่างเก่งนั้นถ้าหากได้ลองศึกมาเป็นคารวะา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 สิ่งเหล่านี้ท่านรู้แจ่มแจ้งแต่เมื่อพิจารณาดูรากฐานของผู้ที่ทำการสอนในปัจจุบันเราจะเห็นว่าผิดกันไกลามากกับรากฐานของผู้ที่ทำการสอนศาสนาอย่างได้ผลมาแล้วในอดีตข้าพเจ้าคิดว่าในปัจจุบันนี้การสอนที่จะให้ได้ผลจริงๆควรจะถือหลักดังต่อไปนี้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 ผู้ที่สามารถจะสอนให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์น้นๆจะหาได้โดยไม่ยากทั้งที่เป็นพระและเจ้าวาดทุกวันนี้ที่การสอนสาศาสนาไม่ค่อยได้ผลก็เพราะไม่ได้กำหนดไว้ให้ชัดจะไปมุ่งแต่จะสอนให้มีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องสอนให้ได้ผลด้วยเช่นเมื่อจะสอนให้คนละความโลภ ความโกรธความริษยาหรือความชั่วใดๆก็ตามต้องกำหนดให้ชัดว่าจะาผลเพียงแค่ไหนและจะต้องสอนให้ได้ผลตามที่กำหนดไว้และเมื่อสอนแล้วจะต้องติดตามดูผลด้วยจะต้องรับผิดชอบในงานที่ทำไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเมื่อมีคนสนใจมาฟังกันมากมาย มีคนเคารพกราบว่าได้ลาบสการะก็ถือว่าการสอนในครั้งนั้นได้ผลแล้วอย่างนี้ยังไม่ถือว่าได้ผลการได้ผลหมายความว่าเมื่อได้กำหนดว่าจะให้คนคนนี้หายจากความโลภหรือความโกรธอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเขาหายจริงตามที่กำหนดไว้อย่างนี้จึงจะถือว่าได้ผล อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนศาสนาได้ประสบความสาเร็จอย่างงดงามยิ่งนั้นก็พ ร, พระองค์งทรงสอนในสิ่งที่พระองค์ทรงทำได้และคำว่าประสบความสาเร็จก็คือทำให้คนที่พระองค์สอนนั้นละกิเลสได้จริงๆพ้นจากความทุกข์ได้จริงรายการเสียงธรรมเรื่อง ทศพลายานจากผลงานเขียนของอาจา ร, รย์พรรัตนสุวรรณยุติเพียงเท่านี้